คนดีความดีมันทีเราเอาแง่เดียวเอาแง่เดียวว่ะเอเ อ, เอนี่คนนี้ใจดีเหมือนอย่างเราเข้าวัดแล้วมีคนมาว่าอะไรเข้าวัดแค่นี้ก็ไม่ใ ห, ห้แค่นี้ก็จะเอาคืนได้มันบอกคนเข้าวัดต้องใจดีคือต้องใจดีตามตามาสานต้องใจดีแบบโง่ๆแบบเสียเปรียบมันมันจะเอาเปรียบมันก็ได้ มันมีทังมนี้มาแดงมาเป็นหลยมันม <ocalypse> ีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ระหว่างโคมาโทษภรรยาเขาวัดโควิเจบไปเห็นไหมคือมันก็เลนสือทุกนี่างอย่างนี้นลรวมันกอเลยมันจบเลยละมันจบเลยละแล้อย่างนํ้มัเม้าอะติดต่ออันี้ปัญหานี้ อาอจานั้นให้ตรงนี้เราบางทีเราก็ต้องรู้จักเทียงนะว่าใช่เพราะถ้าความใจดีของผมมันทําให้คนบางคนตกต่ําลงในทางจริยธรรมแล้วแต่เราจะพูดหนักพูดเบาต้องดูตา ม, มาตะเลือนะอย่ไปบอกว่าถ้าความดีของเราทําให้คุณชั่วลงผมก็ไม่ทําถ้าผมทําความดีผมได้ความดีด้วยคุณได้ความดีตัวผมก็เต็มใจทํา พูดชวนมีวาดมาแนละ้วแต่ได้มาความหมายเดียวกันนะเราก็ก็ต้องรู้จักตบเทียนแล้วกไอ้ดีเนี่ยบางทีเราบอกว่านี่เราแค่ดีแค่หน่วยเดียวอีกหลายๆหน่วยเรายังทำไม่ได้อาจจะบิดลาดได้อะไรได้น่นะแล้วก็พูดไปตามข้อเท็จจริงอ่ะแล้วก็ไอ้คําเถียงเรานี้่บางทีม่ให้ส ต, ติปัญญากับเขาให้ความยังคิดกับเขามาของคนนี้เลยคุณได้ มาเป็นรัฐบาลโยม้ิอะไรอย่านั้นแตแก่อคง ม, มเคยต่งเลยนะว่าหาสิบห้าสิบสามทีนี้แต่ละประเทศจะเ a ็นภรราเ <c oughs> ป็นร <c oughs> ัฐบาลรือโมกข์ว่าพอเมื่อวานไย้ายหลงจากมันสามสิวรยา เพราะอ่าทำก็มาเข้าไปทำท่านก็ฆ่อาจารย์เ่าทำที่อย่างนี้นะามารถ์ว่างนี้ครจะได้รับรางวัลไหมอาจาเลือกว่าระไดเขาบอกโอย่มาให้เขาดนะแต่แตแัแต่ว่ากาเห็นแล้ของความเป็นความโหษนะมันเป็นข้อที่เลยเขาบกว่าไปสอบจะทำบุญแล้วข้อต่อที่เย แล้วแล้วพเมียหนีพอใส่บารแล้วก็เริมใส่ไหมเขาเริกใส่หรือป่เขาเริใส่เลิกใส่เลยเพื่อให้เมียกลับเขากลับแค่เลยเลยเลไม่ใส่เลยเลยไม่ใส่แล้วแล้วถ้ากรณีนี้ปลาบาปไม่ไปไสรับบาตรบ้านโยมทำไมภรรยาเขาหนีไปเนี่ยบาปไหมเดี๋ยวพอผมถามนี่ชวนคิดในยะธรรมะนะไม่ใช่มาหาเรื่องกับร้านคือ บาปไหมเนี่ยเราไปอยู่ดีๆเราไปรับบาปเนี่ยเขาเสียข้าวด้วยแล้วเ็เตียมเมียด้วยไงถาัสามีนี่อารกอบว่ามาไม่มีเจตนาไปให้เขาเกิดบาแลยังถามอาจารย์อาจารย์อบอกต้องไปแล้วเราก็ต้องบงาแล้วถ้าสมมติเราเกิดสามีเอามาปรึกษาว่าหลวงพ่อเนี่ย จะให้ผมใส่ต่อไปไหมแต่ผมใส่อีกรูปอาจจะหนีไปอีก่นะน่แหเนี่ยหนีไปแล้วนะถ้าใส่อีกไม่ยอมอยู่เดิมรูปหนีไปอีก อ, ะอ่ะจะให้ผมหยุดหรือจะให้ผมใส่ต่อถ้าก็มาปรึกษาหลวงพอจะว่าไงอ่าอย่างนี้ก็คงยตอนนี้ยัต่อมาได้คุณจะต่อไปต่อสิ่งรทาคือตรงนี้นะบางทีเราก็ไม่อาจจะพูดได้แต่ว่ามันมันเคยมีปรากฏการที่พอเทียมได้ไดไหลายการณีนะในสมัยิกานนเอ การที่เราทําความดีเนี่ย่วันนี้ก็พูดที่อีกเกษตรมาแต่มันเรื่อนคล้ายๆกันเมื่อทำความดีมันจะเกิดตาบาตตาบาตเนี่ยมันจะขับไล่ไอ้สิ่งไม่ดีคือสิ่งไม่ดีบายามันคืนสภาพมาเป็นดีได้ก็ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทําดีจนสามีตายน่ากลัวนะเนี่ยถ้าถ้าเจ้าตัวเขาไม่รู้เนี่ยนะเขาก็ก็คงไม่ได้คิดนะแต่เขารู้เขาคงจะพยายามทําตัวให้ดี แล้วทำคือหมายก็ว่าธรรมะในี่มันเป็นตัวขจัดครับคือแก้ไขและขจัดบางอย่างเนี่ยแก้ไขได้แล้วแก้ไขเป็นดีถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยพวกที่ลูกเร็วๆนี่อย่างตายเลยคมีตัวอย่างมาแล้วลูกที่ไม่ดีแล้วด่าพ่อเลาะด่าพ่อด่าแม่แล้วแม่มาเข้าวัดทําบุญอมนาอมตาทําบุญทําสมาธิสวดมวนต์ไหว้พะแต่ลูกตายคือในรายที่เยียวยาไม่ได้ สิ่งเลวร้ายอยู่ก็สิ่งดีไม่ได้นะครับดั้งสมัยก่อนเนี่ยก็มีจะเป็นนันนันท่าอุบาสกก็ดีผัวใส่บาตเมียไล่ลปลาเมียแกล้งปลาไม่คืออยู่ได้นะไม่ได้ไม่แยกก็ต้องตายจย่างไอ้แยกนี่ยังเบาๆแหละแล้วก็ที่ผมเคยอาจจะเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ, อคนแม่บ้านของของพวกเราคนหนึ่ง ได้สามีมีมาก่อนก็ไม่เข้าวัดนะโอ้ยทนให้ผัวเตะมาไม่รู้กี่สิกีปีมีลูกเกิน ส, น, นสองคนเตะจนนะฮะโอ้เสียหมดละแล้วลตอนหลังแกก็มาทำงานีกบังเกินมาได้เจ้านายใจบุญแวก็ทำกับข้าใสายบาทนะเจ้านายก็เอาเทศสวดมนต์ให้ไปฝุดสวดมนต์บ้างอะไรบ้าง <c oughs> จนกระ ท, ทั่งทำไปทำมากแกก็ยังดูแลสามีทํางบ้านอยู่นะลูกสากแต่ว่าไม่อยู่เท่าน สามีไปโดนเขาซอมตายเหมือนกันที่ทำกับกระตัวไว้ตายอ่ะแกก็เสียใจหรือดีใจดีอ <c oughs> ันนั้นทีนี้ก็ต่อมามาได้สามีมาอยู่เทปนะนี่ก็อยู่อยู่ทางแถวอ๋อฟังทนนะก็ยงังคีอยอบ้างอยู่ได้สามีไม่ดีแม่ผัวก็เร็วมากแกปนตู้เย็นเนี่ยแม่ผัวยึดหมด มีงเงินดาวน์เรือก็โดนขลุ่นหมดแล้วก็แต่ไม่ถึงกับตีตกเหมือนอย่างสามีคนก่อนแกก็เป็นคนดีแล้วก็ค่อนก็ยังก็ง อ, อนหน่อยนะฮะไอผมพูดอย่างนี้บางทีแกกไม่พอใจเหมือนกันเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยพูดเนี่ยคือไม่เคยไม่เคยจะเข้าใจอะไรมากแต่เป็นคนดีบอกให้ทําบุญอะไรแกก็ตำแกก็ ทำบุญทำอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะตามภาษาแกโดยมากจะเป็นลูกหมือลูกปีปนที่สุดเนี่ยมูววันสามีมันมาขอลาขอลาลาไปไหนมันบอกจะขอลาไปคืนดีกับเมียเก่ากัน<ม>แกก็เกิดขึ้นมาจะเสียใจหรือดีใจดีก <c oughs> ็บอกว่านี่แหละ ใช่ัวใหม่รับรองดีวันนี้อีกเยอะเพราะว่า น, นี่นะเพราะว่าบุญมันชัจะช่วยคนชัว่วมันกลับตัวไม่ได้มันก็ต้องไปไหนผงแม่ผัวไปเออตูวเย็นได้ไปแล้วอหมอไปพุงบนบ้านที่แกอุตส่าห์สะสมตามภาษายักษ์โตแล้วนะให้ไปแต่แกสร้างตัวใหม่ทีนี้ไอท้ทีแรแกเราก็มึดนี่ได้พูดกับตัวกั น, กนแะ ว่านี้ทำไมชีวิตแกถึงก็ดูแกก็เป็นคนดีอนะแล้วทำไมถึงโดนเอาลาเท่าเปลียนโดนขา้าทุกสีเอาเดือดร้อนอย่างนี้วันหนึ่งนะผมรู้เลยแกบอกมอปรีษษาบอกว่าเนี่ยลูกนี้อะ ล, ลูกชายที่มาอยู่กรุงเทพเพราะทำไมหนีอะว่าเรีดามันไปเที่ยวกับเพื่อนวันนั้นกลับมาดึกหน่อยอีกท่านเลยเอาไม้ตบพดตีมัน หวัวล่างท่างแตกมาเลยไปเลยปกเกพูดเนี่ยแกนึกว่าแกทําถูกนะโอ้ยผมฟังแล้วผมก็ตกใจผมอะไรกันเนี่ยลูกตั้งอายุที่ยี่สิบแล้วสแสดงว่าแกนี่มีความรุนแรงโหดร้ายเป็นบุปกา ร, รติดตัวมนะแกถึงต้องมาเจอไอ้เรื่องรุนแรงแบบนี้ที่แกแสดงกับลูกเนี่ยนีขนาดลกนะูแกแยังทาขนาด น, นี้ถ้าคนอื่นแกแ มีสัตยนภาพที่สูงกว่านี้ที่จะทําขนาดใหม่บอกนี่คุณต้องเลิกแล้วเนี่ยเสียจะตากรรมคุณไปอย่างเนี้ยแต่เพราคุณต้องมีนิสัยแบบมีธรรมมา ก, ก่อนนั่นคุณพูดกับลูกใหม่ผมก็ต่อให้แก่แผลในตานะเวลาลูกเข้ามาก็พูดกับเขาใหม่ให้นึกในใจว่าเราเนี่ยลูกเป็นยังไงผิดถูกอยู่างไ เ, เราต้องรับผิดชอบแต่จะตีต้องตีตัวเองนะหมาจะปลดไอจีลูกถ้าพูดกับลูกเรื่องต้องตีตัวเอง ทอ๊ทำไปทามาอีกสักสองอาทิตย์จะบอกลูกมาแล้วนา่าลูก ม, มาขราวนี้เชื่องลูกเชื่องแล้วก็บอกอย่าไปทำอีกนะนี่กูๆ ก, ก, กันนะบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกก็แก้ไขแล้วก็ไอคนที่เขาเปลี่ยนที่ได้ก็ให้แก้ดีแล้วก็จะเข้าใจลราผูกำกับเนี่ยจะมาช่วยกัน เดี๋ยวผมผมตอบของลุงพ่อ น, นิดหนึงเมื่อกี้คือนี่ถ้าเราปลอบเขาแล้วก็พูดอธิบายแต่เราไม่ไปยุนะบอกเออําเข้าไปนึกในใจเมียไปเมียไปไปยุไม่ได้ให้แค่ถามใจเป็นกลางอย่างหลักแต่ไม่ตานะว่าเหตุผลอะไรยังไงมันควรจะไปเพราะอะการประพฤติคําที่ดีที่สุดให้มันเป็นไปโดยทับและไม่ให้มีใครเดือดร้อนไอเ้เขาจะไปนะให้วขาเต็มใจไปก็เขาเอน แบบแบบผัวแม่นอกอ่ะเออให้เขาไปอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ต้องมาผูกอาหาันให้ลงไปไล่อะไรเขานี้ยนะและความดีก็ทําแล้วถ้าโยจะเรียกเขากลับแต่ตัยใจก็ไม่ได้กระทําบุญนั้นแล้วเรียกต้ากลับกลับมาไล่เป็นคนใหม่ลและแต่เดี๋ยวว่าไปแต่ถ้าพูดไม่ได้ทำไมต้องไปพูดเดี๋ยวจะปืนใจแต่ทีนี้เอ็เนีจยจะขยายมากไปไหมว่าเราควรจะไปรับบาดของเข้าต่อหรือไม่ อันนี้ผม้ปองกลังจะตอบแบบพุทธพจนนะครับกรณีอย่างนี้สมมติว่าหัวไม่เต็มใจเมียเต็มใจหรือโยมไม่ค่อยจะเต็มใจให้หรือลังเลลังเลอย่างนี้นะาบังเงิญหลวงพ่อไม่ได้ไปเมื่อวานยัไมีประสูตรที่ท่านบอกว่าสกุลที่คลิกสูดเมื่อยังไม่ได้เข้าอย่าเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้ว อย่าอยู่นานคือสกุลที่ประกอบด้วยองคาวแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอยู่ว่าไม่ต้อนรับด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็ปกปิดสิ่งของที่คุณให้ที่ให้ไดนะะ้มีของมากให้น้อยมีของประนีให้ของยาบ อย่างนี้ไม่ควรเข้าไปพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่กวนเข้าป่าเพร อ, อะไรไม่ใช่ว่ า, าอ่าโลกนะแต่หมายถางว่าถ้าเราเข้าไปกรณีอย่างนี้หนึ่งเขาเกิดอกตระกิจลำบากใจและเราก็ไม่ใช่เป็นคนไม่มีสติเรามีสีิเรื่องอะไรเราจะไปทนเราก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจเกิดบ่า ท, ทั้งคู่สะเขินไปรับบิณฑบาตคนแบบนี้มาฉันมื้อนั้นแล้วก็วิปฏิสานร้อนใจนั่งสมาธิติดเถิดใช่ไหม และคนที่สามที่เขามาเห็นเขาไมา่เห็นนะออดูที่นี่เขาไม่เต็มมัจจัยให้โยบุษามารั บ, ะรรบอะอย่างงี้นะเขาก็โทษเราอนะโทษเราอิความรู้ที่จะไปมาอะโทษเราอะ อ, อ, อย่า ง, งันอย่างนี้เกิดอสตละกินไปอี ก, กลายนะมันกะ็ไม่เกิดประยน์นยนนนี่นี่พูดในหลักท่วไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าในบางทีท่านมองว่า ปัจจุบันกับอนาคตแต่บางทีอนาคตอาจจะมองไม่ถึงนะว่าบางรายเนี่ยถึงเขาไม่เต็มใจแต่ว่าตือนเข้าไปด้วยหมายรู้ว่าถึงวันข้างหน้าเขาจะสำนนึกได้ที่ถ้าเรารู้งย่นีนะเพราะนั้นพะระพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็ฝืนใจบัญญัวัคีบอกไม่ฟังไม่ฟังท่านก็บริยายก็ให้ฟังให้ได้ คือก็ฟังแล้วก็ได้บรรลุทางได้อาระวากยายะกไลแล้วอะไะอีก ไ, ไม่ไปท่านก็พยายามจะเข้าไปเกี่ยวบ้องอะเพรานี้ทา่านรู้หมดทีนี้ถ้าในรายที่เรารู้ว่าเออคนนี้มีหวังถึงเขาจะฝืนฝืนความรู้สึกหน่อยเนี่ยนะเรารู้ครับคนเท่าไหายจนเท่างหร่เดี๋ยวถึงจุดนั้นแล้วเราช่วยเขาได้เพราะว่าอาการเขาตอนนี้เนี่ยเป็นบบเรียงผู้ทุลมทุลายด้วยพิษไข้อื่นอิเลตันนั่นเอง เราให้ยาเดียก็ก็ยู่ช่ดยเราก็ต้องฝึกนะก็ก็ต้นนั้นนี่ยกกฎติดที่นี้ที่ท่านแนะนำนะครัก็มีเหตุผลในส่วนถูกนะว่ามีเหตุผลในส่วนถูกว่าคานึงในแง่ที่ว่าสามีเขาเลื่อมไสหรือใครเลื่อมสเนี่ยคานึงในแง่ว่าเราไปแล้วเดี๋ยวจะได้บุญได้กุศลในเงี้นะ อาจจะมองอะไย่าง น, น, นี้ในบตอนเรนะเพราะว่าแม่ของผุา้าย<ะ>เขาตา ก็มีเหตุผลอย่างอื่นนะบางทีสองคนเนี่ยไอจุดคำนึงบางทีเราคำนึงถึงคนที่เป็นผู้ถือซึ่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดอย่างสมมุติว่าลูกไม่ชอบแต่พ่อแม่ชอบเนี่ยเราก็ไปเพาะพ่อแม่นะเราจะมาเาเกี่ยงลูกไม่ได้ในพูดถึงกรณีครอบครัวเดียวกันนะนี่ถ้าถ้าบ้านติดกันเนี่ยก็คนละบ้านแล้วไม่เกี่ยวกันอ่าแม่ผู้ตายเขาเ็นลูกตายคนนึงแล้วเขาสัมภาษณ์ ลกลเป็นคนเป็นพี่ชายของคนนี้เขามีปัญหาครัคื้อ เ, เครื่องเส้อผ้ามาลองอกันาครับทันโดมนมาสบาเแกะออกไม่ต้องแกะซื้อใหม่เลยนะครับแล้วถึงน้องหนีอไรมันก็อยู่กล้ๆมาเขางไปรับแน่ได้บางทีอย่างนี้อ่ะ <c oughs> มันมีกรณีที่ที่คนมาผึกชายเยอะ ว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยพี่หยใจบุญทำแบบรุ่งหลงรุ่งหลงในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนล้านอะไรเงี้ยนะทุกคนอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยโดยเหตุผลอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยนะเขาก็ยิ่งทำเากายิ่งไม่สบายใจคือหมายถึงว่าคนที่เขาอยู่ในในครอบครัวในกองศรีใอะไรเงี้ยเขาก็หวงกันนะนะ ก็เขไม่สบายใจว่าจะทํำยังไงเนี่ยถึงจะให้พี่เขาเนี่ยพราไมา้พรา ม, า, ามือลงมาบ้างออนะพ่าไปทําอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาก็มีเหตุผลาาอะไรเขาก็เล่านะผมก็ไม่เล่าจะเอาไม้พราว ม, มือทีนี้ไอ้บางไลน์เนี่ยค่ะบไอ้คนที่เป็นตัวปัญหามาป ร, รึกษาท่านยังไงพี่ก็ทำให้พอคนอื่นในครอบครัวเนี่ยเลื่อมไสก็บ้างเลยไม่ได้จ<อ>ใจใอใครดู นี้ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้้กรณีที่ผู้มาปรึกษาที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องควรไม่ควรยังไงบางครั้งเราก็ต้องอควบคุมคนที่เป็นตัวปัญหาที่มาปรึกษาเราให้เขาเผามาให้เผามือให้เขาทําอะไรอะไรที่มันก่อให้เกิดความสะดวกใจในลักษณะาบางอย่างแล้วก็ทําถูกไปแล้วคนอื่นเป็นฝ่ายผิดที่ไม่เข้าใจไม่เห็นหน้าในสองเนี่ยก็ให้ให้ให้ตัวเองเนี่ยทําอะไรที่ เขารับการแล้วเป็นสะพานจุดเข้าข no ึ้นมาแล้วให้ไปทำเด็กกันอันนี้นะทีนี้ถ้าคนที่เขาไม่สบายใจมาถามว่าสี่เข้าพ่อเข้าไปเป็นอย่างนั้นจะให้ทํำยังไงอันนี้ก็คุยกันเป็นอีดขั้งหนึงมันก็ต่างต่างกันไปแต่ทั้งหมดเนี้ก็จะเห็นว่า การทำความดีเนี่ยจุดที่จะต้องบริหารเนี่ยนอกเหนือไปจากไอ้ความดีที่มันอยู่ในมือเราที่เหตุเป็นเหตุผลของเราแล้วที่เราต้องการจะทําให้สมบูรณ์อย่างไรเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือทัศนคติของคนรอบข้างอย่าพูดว่าอยากไปคําลังหรือคนอื่ น, ม, นมันพูดได้ในบางการณีนะแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองมีสายสัมพันธ์กับคนอื่นไอ้การทําความดีของเราในคนอื่นเขาได้รับผลร้าย ไดรับบาปได้รับข้อดีอายอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทํำยังไงเราทำหนึ่งได้เราด้วยได้เขาด้วยเราจะปลอดโปรนอะไรได้แค่ไหนเราก็ต้องพิจารณาแต่แม้แต่คนที่เข้ากรรฐานเนี่ยก็มีปัญหาบางทีเมียไฟหัวไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถึงก็ายกอแตงแม่ไม่อยากให้ไปบ่อยอย่เงี้ย น, น, นะบางทีสามีไปภรรยาไม่ได้ไปไอ้ตรงเนี้จะทํำยังไงข้างไฟ ไอ้คนอยู่ก็มาถามว่าทําไงถึงจะไม่ให้มียให้ผัวเขาไปบ่อยนะไอ้ทนะางฝ่ายคนคนไปจะทําไหนถึงจะทําให้กิบานเขายอมไม่ไปไ ง, ง่ายๆถ้าจะอาใจใครทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็พูดกับคนนี้ให้ขยับขึ้นมาหน่อยคนนี้ให้ป่อยลงมานิดหนึ่งนะฮะเราจะทํายังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาอย่าสจำมุรอค่าอย่างไรหนึ่ง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 แล้วค่อยๆดึงเขาขึ้นมาดึงขึ้นมามาว่าให้มาลองทํามาปฏิบัติอะไรเบื่อก็จะได้สัมผัสอะไรบ้างแล้วก็ยอมเข้าใจเราอย่าให้มันเป็นเรื่องแตกหมันก็จะเป็นการสร้างทัศนคติไม่ดีให้เกิดขึ้นกับคนที่เขาอยู่ทั้งบ้านไอ้คนที่อยู่ทั้งบ้านก็จะได้มันไปทําอะไรที่เป็นการกีดกันคนที่ก็จะไปทําความดีใช่ไหมกหมีดนะคนจะไปทำควันนี้วันนีไอ้คนอยู่บ้านไม่รู้ว่า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 เราไปยินแต่นี่เราไม่ได้หลอกนะจริงจริงจริงจริงและเนี่ยอย่างเนี้ยเราเรารู้เลยและถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามีผลตอบกับกับคนในครอบครัวคนข้างเคียงต่อหน้าที่การงานอะไรได้เนี่ยนะรู้ว่เขาอยากได้งานย้ายย้ายงานย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่มันดีกว่าเราช่วยฮะ ออกกลับมานะโหย้ายเรียบร้อยแล้วย้ายเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้เรากาเราช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทํากันมาบ่อยๆแล้วก็เลยรู้สึกเออมันมันมีส่วนอ่ะเราไปช่วยแผ่พลังไให อ, อได้ย้ายตสมปรารถนาแต่แต่ข้อสำคัญเนี่อย่ายไปทวงบุญคุณหรืออย่ายไปทําอะไรที่เดี๋ยวเกิดเขาบอกว่าไมปฏิบัติดีขอให้บุนเขาขึ้นหน่อยอย่างนี้เราว่าเตะนะเด้ด ยังเราล่ะอย่าไปออกหน้าออกตามากหนักนะนะให้มันกะกะไว้บังเราจะได้มาเขาจะได้ม า, า, ม า, มาว่าเราได้อ อ, อันนี้นนเราก็ก็ได้พูดถึงได้พูดอันนี้ก่นได้พูดแล้วก็ได้ทดลองพิสูจน <c oughs> ์กันยิงเป็นปลายิงยิงทำแล้วขึ้นมา ฮะ <c oughs> อีกหน่อยนะเฉยมากจาฮะเมตาาอ๋อที่ใช้ในนี้ใช่ไหมเมตาเจโตวิมุต <c oughs> คำว่าเจโตวิมุตเนี่ย <c oughs> มันมแปลตามแปลว่าความหลุดพ้นแห่งใจตามตับนะแต่ตามความหมายก็คือความหลุดพ้นในสายสมาธิ ซึ่งก็หมายถึงฌานเพราะว่าคนที่ไดฌานเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสแบบวิธกัรมกนาประ า, ารแบบขมไว้โดยใช้วิธีแผ่เมตตาจนไดฌานการไดฌ า, านกำหนดอารมณ์หลายแบบครับตัวก่อนตาแล้วผมปั๊บเน่ออเขาพูดถื่อกันนะว่าไม่ตา การให้คนอื่นความสนับสนุนคนทุกก็เลยความหมายว่านแต่นี้ผู้บัรยายนี่ก่อนในอย่างเขาจะบุว่าความตปตาางิานเนยการจัด้าานคมนเหมือนกัการใาให้คนอืความสนับสุนประส่วนส่วนให้คนอื่นคนคนทกข์คือคือการการรู้าแล้วก็ส่วนอ่าุิตาการ็คือความเพือเยนบิใจจี กั่ปกกับการทคอ่ความรื่รอใจส่วนเอ่อเรื่อารหาอาวานมาาเลยเราะขาพูดนครับีผมกเลยสงสัยว่าแล้วความหมายของการให้ตาในในที่อาการผูต่อความหมยคืออรอ่าสิ่งที่ถามเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลมีคาอธิบายที่ชัดเจนสามารถอธิบายได้นะฮะทุกๆุอย่างเลย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 บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเหมือนไม่ได้มีความทุกข์แต่เราสงสารจะมีเพราะว่าเรามองเห็นทุกข์เล็กๆอย่างพุทธเจ้าเห็นเราคู่อยู่ดีมีสุขกําลังป้อนลำอับร้องอยู่เนี่ยสวมแหวนเพชรเม็ด ง, งามๆอยู่หรือแม้แต่ว่าอยู่บนเวทีกองฐาน้ําความเป็นคู่บ่าวสาวพระพุทธเจ้าสงสารสงสา ร, สารด้วยเหตุผลที่ท่านมองเห็นเขาเรียกว่าเป็นไอความทุกข์เล็กๆเนี่ย คนที่มีภูมิปัญญาลึกมองเห็นมีปัญญาตื่นมองไม่เห็นก็เป็นเมตตาเป็นกณาอยู่ที่ความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นอะไรนั้นไม่เกี่ยงแต่ว่าที่ฟังมาทางวิธียุน่ามาที่สิ่งที่เป็นอารมณ์หลักๆที่เป็นเกณฑ์ปิจณาแต่เป็นมุทิตาก็เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดี เรีกว่าแฝงมุกิตาคงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราหยุดเดือนหยุดเตือนนะเขาเขียนีเขาเขียนหยุดจุดตามว่าดาวกากเป็นนังข่าวหน้า จ, จะเป็นเป็นปริศที่เรียกว่าเมตตาการณีกรณียเมตสตสุที่เราเคยได้ยินนะว่าเนื้อหาในนั้นเป็นอะไรแล้วก็ขันธปริตการแผ่เมตตาปราบสัตว์ลายปราบคนลาย ว่าท่านพูดไว้ย่างนั้นแล้วก็อันนี้ไปลแล้วจะได้มาชนกับที่ผมให้ฝึกฝ่ายแบบใ น, นเชิงพยุคที่ผ่านมาท่านนี้ขอยุดติดต่อนะครับ